จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปดเรื่องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้เบาบางลงไปและให้หมดไปเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทถึงแม้จะมีมากถึง80ดมื่น สี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามแต่จะมีเป้าหมายไปที่อันเดียวคือการดับทุกข์ทรงตรัสว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นจะมากมายขนาดไหนก็ตามก็มีรสชาติรสเดียวคือรสของความเค็มฉันใดคำสอนของพระพิทธเจ้า จะมีหลากหลายมากมายที่พอประมาณได้ก็คือ8ป0 0สี่พันพระธรรมขันธ์ก็มีรสชาติรสเดียวคือมีมีวัตถุประสงค์อันเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อดับทุกข์ในใจของสามโลกทั้งหลายให้หมดไปดังนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงจึงควรคำนึงถึง เป้าหมายอันนี้เป็นหลักสิ่งการกระทำของเราต่างๆนี้เราทำเพื่อดับความทุกข์และการจะดับความทุกข์ได้ต้องลดต้องละกิเลสตัณหาลดความโลภลดความอยากลดความโกรธลดความหลงให้เบาบางลงไปอย่าทำบุญด้วยความโลภทำแล้วอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าทำบุญเพื่อสะสมความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปในใจเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราต้องทำบุญเพื่อลดเพื่อละความอยากถ้าเราลดละความอยากได้ ความโกรธก็จะเบาบางลงไปความหลงก็จะเบาบางลงไปเพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการชำระเป็นการกำจัดความหลงนั่นเองพวกเราหลงคิดว่าโลภได้อะไรมากๆอยากได้อะไรมากๆแล้วจะทำให้เรา มีความสุขมากแต่นี่เป็นความหลงหลงผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความสุขทางโลกว่าเป็นความสุขแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นความทุกข์นี่คือความหลงที่สัตว์โลกทั้งหลายจะหลงกันหลงคิดว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ดูได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสด้วยร่างกายมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่ไม่เห็นตะขอเบ็ดที่ซ่อนอยู่ ใต้เหยื่อนั้นพอตะคุบเหยื่อก็ไปแล้วก็จะถูกตะขอเกี่ยวติดปากทุกทรมานใจอย่างยิ่งความสุขทางโลกก็เป็นอย่างนี้เช่นความสุขที่เกิดจากการเสพยาเสพติดพอเวลาเสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกทรมานใจ เวลาจะเลิกก็ทุกทรมานใจเลิกไม่ไหวเลิกไม่ได้ทนความทุกทรมานใจไม่ได้ถ้าลองลงมาก็พวกสุรายาเมลพวกบุรีอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหมือนกันมีความสุขในขณะที่ได้เสกแต่เวลาที่ไม่ได้เสกหรือเวลาที่อยากจะเลิก ก็จะทุกข์ทรมานใจ <c oughs> เช่นเดียวกับอบายามุขอย่างอื่นเช่นการเล่นการประนันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เวลาเสียก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลิกไม่ได้เสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องไปหาสมบัติเข้าวของเงินทองมาเล่นต่อ มีสมบัติอะไรก็ขายมาเล่นบ้านก็ขายที่ดินก็ขายแม้แต่ชีวิตก็ขายเพราะเลิกไม่ได้ติดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมันหงุดหงิดทรมานใจนี่คือความสุขของทางโลกเช่นเดียวกับพวกที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเช่นเสื้อผ้าอาพรรองเท้า ของเล่นต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเห็นแล้วชอบก็เกิดความอยากได้โดยไม่เคยใช้ปัญญาวิเคราะห์เลยว่าเอามาทำไมเสื้อผ้าก็มีล้นตู้อยู่แล้วรองเท้าก็มีอยู่เต็มตู้อยู่แล้วเอามาเกะกะต่อไป เอามาแล้วก็ทําให้เรายากจนลงไปเงินทองก็จะหมดไปเรื่อยๆถ้าเมื่อถึงเวลาลําบากขาดเงินขาดทองก็จะไม่มีอะไรมาดูแลเราถ้าเราซื้อของด้วยเหตุด้วยผลปัญหาเรื่องของการขาดเงินขาดทอง ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าไม่จำเป็นเราก็อยากไปซื้อมาเช่นเสื้อผ้าเรามีอยู่เต็มตู้แล้วก็ไม่ต้องซื้อมาใหม่รองเท้าก็มีอยู่ใส่หลายคู่ใส่ไปให้มันพังเสียก่อนให้มันขาดเสียก่อนให้มันใช้ไม่ได้เสียก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนี้แล้วเงินทองจะอยู่กับเราและจะดูแลเรา ในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากเพราะชีวิตของคนเรานี้ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงตามธรรมดาเวลาบางทีก็ขึ้นเงินทองไหลามาเทมาบางทีก็ลงมีแต่จะออกเศรษฐกิจตกต่ำตกงานตกการเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลนพิการ ไม่สามารถไปทำงานหาเงินหาทองมาได้ถ้าไม่มีอะไรเก็บไว้เลยก็จะลำบากคนจจลาจะต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนและต้องคิดเผื่อเอาไว้เสมอเพราะอนาคตนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรมีคำพูดที่เขาพูดว่าอนาคตนี้มันคดไปคดมามันไม่ตรง มันไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปวันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่ง น, นี้จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ไม่รุนแรงพอรับได้บางครั้งก็รุนแรงอาจจะไม่สามารถรับได้บางคนรับไม่ได้ก็ต้อง ทำลายชีวิตของตนเองเพราะทนอยู่กับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้แต่ถ้ารู้จักประหยัดรู้จักใช้เงินใช้ทองรู้จักเก็บเงินเก็บทองจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นคนที่หาความสุขกับการใช้เงินใช้ทองนี่จะเดือดร้อน เวลาที่เงินทองไม่มีจะต้องไปทำบาปทำกรรมด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้บุญให้ได้งินได้ทองมามาชมารับใช้ตนต่อไปเหล่านี้เรียกว่าเป็นความสุขทางโลกที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว เห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่ในวันมีสมบัติเท่าของต่างๆมากมายมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าด้วยกันมีประสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันคอยบำรุงบำเรอ อยู่ตลอดเวลาแต่ใจของพระพุทธเจ้ากับไม่มีความสุขเพราะใจไม่ได้สุขกับความสุขแบบนี้ใจสุขกับความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นอ่ น, อนมาบำรุงบำเรอพอต้องถ้าต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป ความสุขนั่นก็หายไปความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่ถ้าอาศัยสามีอาศัยภรรยาอาศัยแฟนให้ความสุขเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจหรือเวลาเขาเปลี่ยนไปเขาเคยดีกับเราแล้วเขาไม่แยแสยเราเราก็จะ เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือพอทนได้ก็จะไม่ไปหาใครมาเป็นคู่ให้ความสุขหรือถ้าทนไม่ไหวจริงๆเหงาจริงๆก็ต้องทำใจเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ ว่าความสุขนี้มันไม่แน่นอนและไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นี่คือเรื่องของความหลงเป็นอย่างนี้เห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงนั่นเองคิดว่าแต่งงานกันแล้วจะมีความสุขกันไปตลอดจนวันตายอย่างนี้เป็นต้น เรียกว่าไม่เห็นความเที่ยงเรอเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าเป็นเราว่าเป็นของเราสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทุกอย่างเป็นของยืมเขามาทั้งนั้นสามีก็ยืมเขามาภรรยาก็ยืมเขามาลูกก็ยืมเขามา เดี๋ยววันหนึ่งเจ้าของคือธรรมชาติเขาก็จะมาเรียกคืนกลับไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งสามีก็จากเราไปภรรยาก็จากเราไปลูกก็จากเราไปพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปอย่างนี้แนละ้วเขาจะเป็นของเราไปได้ตลอดอย่างไร เช่นร่างกายของเรานี้ก็ต้องจากเราไปเราที่ผู้นี้ก็คือใจใจเป็นผู้คิดผู้รู้ผู้มีความรู้สึกรับรู้ต่างๆร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นร่างกายเป็นเหมือนวัตถุเป็นเหมือนตะกร้าเป็นเหมือนขวดน้ำเป็นเหมือนรถยนต์เขาไม่รู้เรื่องอะไรคนที่รู้คือใจผู้รู้คือใจ ผู้ที่มาเป็นครอบมาเป็นเจ้าของมาครอบครองร่างกายนี้คือใจเป็นเหมือนคนขับรถส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนรถเนี่ยรถนี้เขาจะทำตามคำสั่งของคนขับคนขับให้วิ่งก็วิ่งคนขับให้หยุดก็หยุดใจก็เช่นเดียวกันร่างกายก็เช่นเดียวกันถ้าใจสั่งให้หยุดร่างกายก็หยุด ถ้าใจสั่งให้ร่างกายไปทํานั่นทํานี่มันก็ไปตามคำสั่งกายเป็นบ่าวใจเป็นนายถ้าไม่มีใจร่างกายก็ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอนแข็งอยู่ในโรน่นั่นคือร่างกายที่ไม่มีใจแล้วใจทิ้งร่างกายไปแล้วหรือร่างกายหยุดทํางาน ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ใจก็ต้องออกจากร่างไปใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ตายเป็นผู้ที่ไปหาร่างใหม่ไปเกิดใหม่ไปตามบุญตามบาปที่ทํามาถ้ามีบุญมากก็จะไปดีไปได้ร่างกายที่ดีได้ร่างของมนุษย์ได้ร่างของเทพ ของพรหมของพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายถ้าทำบาปมากมีบาปติดตัวไปมากก็จะไปได้ร่างที่ไม่ดีไปได้ร่างของเด ร, าารัจฉานของเปรตของสัว์นรกนี่คือใจใจเป็นผู้ที่กระทาและเป็นผู้ที่รับผิดชอบ เหมือนกับคนขับรถเวลาขับรถไปชนผู้อื่นรถเขาไม่ต้องรับใช้ไม่ต้องรับโทษแต่คนขับต้องรับโทษกายก็เช่นเดียวกันเวลากายไปทำบาปทำกรรมกายไม่ได้รับโทษอะไรใจเป็นผู้รับโทษใจจะเดือดร้อนวุ่นวายกรงวลกวายกระสับกระส่ายโกยความหวาดกลัวขึ้นมา เวลาไปทำผิดศีลผิดธรรมหรือผิดกฎหมายใจจะมีความหวาดกลัวมีความวิตกมีความกังวลที่จะต้องถูกจับไปลงโทษร่างกายเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเขาไม่เดือดร้อนอะไรถึงแม่เอาร่างกายไปตัดศีรษะร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจต่างหากที่เดือดร้อนทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้ถูกตัดศีรษะไป นั่นก็เป็นเพราะว่าใจมีความหลงหลงเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้เองนี่คือความหลงไม่ใช่ความจริงความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจต้องคิดอย่างนี้แล้วใจต้องมีความกล้าหาญที่จะตัดที่จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเมื่อถึงเวลาแล้ว ที่ร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไปก็ปล่อยให้มันเป็นใจไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเสียดายทำอย่างไรก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่จะยับยั้งความทุกข์ความทรมานใจได้ถ้าฉลาดถ้ามีธรรมะมีปัญญาสอนใจอยู่ตลอดเวลาให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยวางร่างกายแต่ก่อนที่จะปล่อยวางร่างกายได้ก็ต้องปล่อยวางสิ่งอื่นที่ง่ายกว่าก่อนร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ปล่อยวางยากที่สุดสิ่งที่ปล่อยวางได้ง่ายกว่าก็คือร่างกายของคนอื่นหรือสมบัติเข้าของเงินทองของเรานี่แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไป ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆร่างกายของคนอื่นก็ต้องจากกันไปดังนั้นในตอนต้นนี้ท่านสอนให้เราละสมบัติเข้าของเงินทองก่อนอย่าหวงเก็บเอาไว้มากจนเกินไปอย่าเอาไปใช้บำรุงกิเลสตัณหาความอยากด้วยการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือด้วยการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณให้สละเงินนี้ไปให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือผู้ที่เขาทำประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่สังค ม, มจะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหร <c oughs> ือองค์กรสาธารณการกุศลต่างๆเขาจะได้นำเอาไปทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าเราบริจาคเราตัดได้เราเรายกให้ผู้อื่นได้ก็เท่ากับเราปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้ใจของเราก็จะสบายใจของเราจะไม่ค่อยวุ่นวายกับปัญหาของเงินทองเท่าไหร่เวลาเงินหายไปก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเหมือนกับคนที่ยัง ตัดไม่ได้คนที่ยังหวงเงินหวงทองอยู่ไม่ชอบบริจาคไม่ชอบทำบุญให้ทานเวลาเงินหายไปสักร้อยสอร้อยนี่จะโกรธแค้นขึ้นมาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คนที่เคยบริจาคเคยเสียสละเงินทองให้แก่ผู้อื่นอยู่เป็นนิสัยแล้วเวลาเงินหายไป 500, ห้าร้อ 1000, หรือพันหนึ่งหรือมากกว่านั้น จะรู้สึกเฉยๆจะคิดว่าเป็นเหมือนกับการทาบุญใครได้ไปเขาก็ได้ความสุขเขาก็มีความสุขการให้ผู้อื่นนี้ก็เพื่อให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขนั่นเองเมื่อเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขกลับมาใจของเราก็จะมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจมีความสุขใจ ตรงกันข้ามถ้าเราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นเราจะมีความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีความสุขที่ได้จากการได้สามีหรือภรรยาของผู้อื่นมานี้มันน้อยนิดเมื่อมันเทียบกับความทุกข์ความกังวลใจเพราะเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องหวาดกลัวหวาดระแวง แล้วถ้าเขารู้สามีหรือภรรยาเขารู้ก็ยิ่งลำบากใหญ่ดีไมด่ดีอาจจะถูกเขาฆ่าตายก็ได้นี่คือการให้ความทุกข์เขาเป็นอย่างนี้ด้วยการทำบาปทำบาปแล้วเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะทำให้ตนเองทุกข์ทรมานใจทำบุญแล้วก็จะทำให้ตนเองสุขใจสบายใจ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจอยากมีความสุขที่แท้จริงเราต้องฝึกการปล่อยวางมีอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดเงินทองถ้ามีเกินมากเกินไปเกินกว่าความจำเป็นต่อการดำรงชีพก็ยกให้คนอื่นเขาไปแบ่งให้คนอื่นเขาไปบ้างหรือเอาไปทำประโยชน์ ไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เดือดร้อนหรือเอาไปให้กับคนที่มีพระคุณก็ได้เช่นกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์กับคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายให้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะให้ใครก็ได้ขอให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือให้โดยไม่มีความปรารถนาที่จะรับผลตอบแทนแต่อย่างใดไม่ได้ให้ด้วยความโลภให้ด้วยความไม่โลภไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการอย่างเดียวคือการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทอง เวลางเงินทองหายไปหมดไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้อาศัยเงินทองมาบำรุมบำเมอให้ความสุขนั่นเองเพียง <c oughs> แต่อาศัยเงินทองมาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็นเท่านั้นเองนี่คือการฝึกปล่อยวางตอนต้นต้องปล่อยของง่ายก่อนของง่ายที่สุดก็คือวัตถุเข้าของต่างๆ ลำดับต่อมาก็ปล่อยวางร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องแยกกันเราก็ต้องจากกันเราก็อยากไปยึดอยากไปติดเขาเขาจะมาเขาจะไป เขาจะดีเขาจะชั่วก็อย่าไปวุ่นวายกับเขาแต่ถ้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องสอนลูกเราก็สอนไปสอนให้แล้วใ ห, ให้เขารู้จักผิดถูกดีชั่วแต่เขาจะเอาไม่เอานน้นเป็นเรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้เขามีกรรมเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่มีเราเป็นพ่อเป็นแม่ เราเป็นเพียงพ่อแม่ทางร่างกายแต่ใจของเขานี้มีกรรมมีบุญเป็นพ่อเป็นแม่มาถ้าเขาทำบุญมามากเขาก็จะเป็นคนดีโดยที่เราไม่ต้องสอนเขาถ้าเขาทำบาปมามากต่อให้เราสอนเขาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้เพราะเขาติดนิสัยไม่ดีมานั่นเองเคยทำบาปทำกรรมมามาก ก็จะติดนิสัยมาพอมาเกิดก็จะชอบทำบาป ท, ทำกรรมถ้าเคยทำบุญมามากพอมาเกิดก็จะติดนิสัยชอบทำบุญมาเช่นพระพุทธเจ้าติดนิสัยทำบุญมามาเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็ยังออกบวชแทนที่จะอยู่แล้วก็ทำศึกสงครามเพื่อให้ได้เป็นมหาจากกักรพรรดิ ท่านก็ไม่ชอบทำอย่างนี้ไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบทำบาปทำกรรมชอบทำบุญชอบออกบวชชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมท่านจึงออกจากในวังได้เพราะท่านมีบุญมามากนั่นเองถ้าไม่ได้ทาบุญมาแล้วพออยู่ในวังแล้วก็จะไม่อยากจะออกจากวัง กลัวเสียด้วยซ้ำไปกลัวจะต้องออกจากวังไปหรือถ้าได้มันเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะไม่ยอมสละเก้าอี้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไปตลอดแต่คนที่ทาบุญมาคนที่เคยละเคยตัดสิ่งต่างๆมาแล้วจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้จะไม่ยินดีมีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะ ปล่อยวางที่จะละได้ที่จะทิ้งได้ก็จะปล่อยวางทันทีจะละทันทีจะชอบอยู่แบบสงบอยู่แบบลำตามลำพังไม่อยากจะวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันไม่มีความสุขความสุขต้องเป็นความสุขที่สงบเหมือนน้ำที่นิ่งถ้าน้ำนิ่งแล้วน้ำจะใส แต่ถ้าน้ำไม่นิ่งมีคนมาคอยตักมีคนมากระโดดลงไปในน้ำไปเล่นไปไว่ายกันน้ำก็จะขุน่นใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องนั่นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้มาวุ่นวายด้วยใจก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่มีความสุขแต่ถ้าใจไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยเลยอยู่คนเดียวในป่าในเขา ใจจะใสสว่างสงบเย็นสบายมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราตัดเราลดเราละสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ให้มันหมดไปตอนต้นเราก็ตัดสมบัติเข้าของเงินทองแจกจ่ายให้คนอื่นเข้าไปเก็บไว้เท่าที่จำเป็น แล้วเราก็มาตัดความยึดมั่นถือมั่นในคนที่เรารู้จักที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดาเป็นญาติสนิทมิตรสหายเราต้องตัดหมดอย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถึงเวลาเขาต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่ไปตลอด เราก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องมาปล่อยร่างกายเราถ้าเราปล่อยร่างของคนอื่นได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาปล่อยร่างกายของเราเราก็ต้องมาฝึกมาสอนเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอย่าไปพิถีพิถันกับมันมากจนเกินไปเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งก็พอไม่ต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัว ท, ทาหน้าท า, า, ท า, าปากย้อม ย้อมผมหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆา ม, มาใส่หาบ้านสวยๆใหญ่ๆโตๆตมาใส่หาเครื่องบำรุงบำรเลอต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นพัดลมเครื่องปรับอากาศขล่านี้มันเป็นการยึดติดกับร่างกายร่างกายเราต้องปล่อยมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันไป ใจเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันไปวุ่นวายไปกับมันทำไมก็ดูแลมันไปตามอัตภาพให้ข้าวกินให้มันหายใจอาบน้ำอาบท่าให้มันก็พอแล้วไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมากไปกว่านี้ยิ่งทำมากยิ่งทุกข์มากไม่ใช่จะทุกข์อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาบารุดบาเรอเราจะต้องคอยหายคอยหายมาเติมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเครื่องเครื่อ เครื่องตู้เย็นก็เสียเดี๋ยวพัดลมก็เสียเดี๋ยวโทรทัศน์ก็เสียก็ต้องหามาเปลี่ยนมันก็จะมีปัญหาให้วุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าอยู่แบบไม่มีอะไรเลยหัดทาใจอยู่ตามมีตามเกิดจะมีความสุขมากกว่าเพราะใจไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องที่รังมะที่จะต้องมาคอยแก้นั่นเองนี่คือการปล่อย ร่างกายเราต้องปล่อยแบบนี้อย่าไปพิถีพิถันกับมันเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเวลาเลี้ยงสุนัขนี้เลี้ยงง่ายมากถึงเวลาก็เอาข้าวให้มันกินเอาน้ำมาวางไว้ให้มันเดินเท่านี้ก็จบแล้วร่างกายของเราก็เป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะเป็นวิเศษวิโสอะไรเราไปหลงกับมันเองว่าเป็นตัวเราของเราเราจะวุ่นวายไปกับร่างกายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น ไปจนถึงวันตายเลยแล้วตายไปแล้วก็ยังไม่เข็ดยังไม่ลืมยังยังลืมยังไปหาร่างกายอันใหม่มามาแบกต่ออีกเราแบกร่างกายนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้วและจะแบกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางนี่คือเรื่องของการมาชําระการมากําจัด กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการปล่อยวางด้วยการตัดความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองวัตถุต่างๆบุคคลต่างๆหรือร่างกายของเราเราต้องตัดให้หมดอย่าไปยึดอย่าไปติดแล้วเราจะพบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบ และได้มีไว้เป็นสมบัติเราควรจะมองพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารลกเป็นแบบฉบับและพยายามปฏิบัติตามเพราะนี่แหละคือคือตัวอย่างที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอให้พยายามปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้เพื่อประโยชน์สุขและเพื่อความทุกข์ที่จะเบาบางล ง, งไปและหมดไปในที่สุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์